พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ 14, สิบสี่สุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันธาตวัคที่สามชื่อสุญยาะตะวัคแปลว่าวัคมีสุญญาตะสูตรเป็นหัวหน้ามีสิบสูตรพระสูตรที่ยีสเอ็ดจุลลสุญยาตะสูตรสูตรว่าด้วยความว่างเปล่าสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับหน้าปราศาสตร์ของนางวิสาขาในบุพาราม